ถ้าหากว่าเราจะพูดแต่เรื่องธรรมะภาคปฏิบัติจิตภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องวิปัสสนาเรื่องด้านจิตใจโดยตรงหรือโดยเฉพาะก <c oughs> ็ทำให้พวกเราฟังไปแล้วมันก็แต่ตามไห้ดีงดีไหมดีดีมากๆแต่ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่แต่ฟังเข้าไปแล้ว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 ก็ได้ความรู้ความฉลาดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะให้แต่อาจารย์ขั้นประมาจารย์สอนอย่างเดียวถ้าท่านมีเวลาสอนได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาล่ะเราจะไม่รับเลยเหร อ, เ, อเราจะไม่รับจากคนอื่นเลยเหร อ, เ, อเราก็ต้องพร้อมที่จะเปิดรับได้ถ้าเขาสอนได้มีความสามารถที่จะแนะนาเราได้เราก็พร้อมที่จ ะ, ะรับ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 พะเถระท่านนี้ชื่อพระติดสะเถระพระติดสะท่านมีท่านเป็นอาพาธท่านป่วยอันดับแรกเหมือนเป็นผื่นคันเป็นผื่นคันในร่างกายเหมือนกับเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนเป็นผดผื่นคันต่อมามันขยายขึ้นไปเรื่อยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยที่แรกกลย เม็ดเล็กๆพอเป็นผืนต่อมากับเท่ า, มาเมล็ดงาอ่าต่อมาก็เท่าเอ่อเมล็ดใหญ่ขึ้นไปจนถึงมเลมล็ดมะละกอมเมล็ดข้าวโพด อ, พอ่อผลในสุดใหญ่เท่ากับลูกตูมลูกตาลเป็นฝีขึ้นมาทั่วร่างกายผลในสุดมันแตกใช่เออฝีตัว น, นี้ก็แตกไปหาตัวนั้นตัว น, นั้นก็แตกไปหาตัวนี้ใช่เออร่างกายกับมัน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 เข้ามาดูแลปนนิบัติภิกษุสา ม, มเณรเข้ามาดูแลปนนิบัติพอเข้ามาเห็นแล้วไม่ไหวเพราะมันมีกลิ่นขาวเหม็นคลุ้งไปหมดนะให้ใครๆก็ให้ใครของไม่อยากจะเข้าไปใกล้เกี่ยงกัน mm. พูดง่ายๆเพราะพระวินัยก็ยังไม่มีเพราะพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้บัญญัติวินยัยอีกต่างหากใครเข้ามาต่างโกลก็ต่างอยู่ลักษณะอย่า ง, ง น, นั้นแต่ีน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 ใครจะมีอุปนิสัยที่จะได้เปรียบโปรดคือพระองค์มองไปแล้วถึงบางครั้งพระองค์ก็ต้องได้แสดงฤทธิเ์เพราะว่าคนผู้นั้น เ, เขาได้บำเพ็ญกิจตภาวนาแต่ทางวัดได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เ, เขาก็จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะนั้นท่านจึงเล่งยานดูสัตวโลกจรนโจนสว่างใกล้รุ่ง ท่านก็มองดูเหมือนกับเปิดจอเลด้าลักษณะอย่างนั้นอ่ะเปิดส่องดูโลกวนเข้ามาวนเข้ามาก็้มาเห็นพระภิกษุพระติดสัเทระพระติดสัเข้ามาในข่ายคือพยานคือเข้ามาในจอเลดา้าท่านก็มองเห็นติษสัต่มีอะไรท่านอโอ้โหติดสะป่วยอาการหนักถ้าเราไม่ไปโปรดเขาเขาคงจะ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 พระองค์ก็ถามเอ้าติดสักเป็นอะไรพระติดสาวพระฆ่าพระองค์อาพาธพระเจ้าฆนะ่าและมีใครดูแลไหมไม่มีพระเจ้าข่าพรวกขฆ่าพระองค์เป็นผู้มีอติเรกราบน้อยไม่ได้รู้จักกับพระภิกษุสัมมาเนนเป็นส่วนตัวก็เลยไม่มีพระอุปถากพระเจ้าขา่พาพราะพุทธองค์ก็บอกอไปอานนท์ไปต้มน้ํา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 ติดสระพระอานนท์กับพระยุงกับพร้อมกับพระสงฆ์ก็องพระยุงขึ้นมานั่งพระองค์ก็เป็นคนตักน้ําราดแล้วองค์หนึ่งกับนั่นเอาผ้าไปซักไปซักน้ำน้ำร้อนน้ําเดือดเสร็จแล้วก็เอาไปตักรีบเอาไปผึ่งไปตักเพื่อให้มันแห้งาจากนั้นพระอุดอมก็เป็นคนราดน้ําบนศีรษะของพระติดสะ ผ้าสงก็ส่งน้ำอาบน้ำให้เพราะมันมีฝีมีหนองมันเลอะเปื้อนเปิดเลอะเธอะไปหมดแล้วก็ใช้น้าอุ่นอาบพออาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าที่มาพอที่จะเช็ดทำความสะอาดได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าที่สะอาดมาพันเสร็จแล้วก็ให้พราติดสานอนเอานอนลง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 ให้ปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะติดสันะให้พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังคือของไม่เที่ยนทุกขังคือเป็นทุกนะมันจะมีความสุขได้ที่ไหนมันขนานี้สุขไหมเนี่ยไม่สุขพระเจ้าขานะ่าเนี่ยแหละสิ่งที่ที่มันไม่สุขมันเป็นอย่างนี้ยมันทุกอย่างนี้จะเป็นของเราได้อย่างไรไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนะติดสันะพระเจ้าขานะ่าเอา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 ถามพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นพระทเป็นผู้ตุชนก็มีฮะพระติสสะเท็นตั น, น, นมรณาภาพท่านตายไปแล้วจะไปที่ไหนพระเจ้าข่าเพราะพระพองค์บวชบุตรของเราปรินิพานแล้ววันนั้นคขาให้พวกเธอท่า น, ท, นทั้งหลายเอาอติธาตของติสสนะไปปลูกสัททูปฤตเยดีไว้ในทางสีแพ้ง่งให้คนได้กราบได้ไหว้บุญกุศล ที่คนได้กราบได้ไวาดอติธาตุของพระหันจะติดพบติดชาติไปนานเท่านานได้กราบอติธาตุพระธาตุของพระหันเพระนังให้เธอทั้งหลายเอาอติธาตุติดสับไปไว้ในทางสีแพ่งคนทั้งหลายจะได้กราบว่ายศคราบูชานี่แหละกระดูกพระหรหันท่านให้เอาไปไว้ในทางสีแพ้งนะจะมาถูปรหลาบุคคลสี่จำพวกอย่างที่ว่าน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 ธาตุขันจะเป็นยังไงเขาเป็นไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าพวกเราถ้าว่ายังมีกิเลสอยู่ถ้าธาตุขันร่างกายเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้สำเร็จนั่นแหละปัญหาเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะต้องได้ใช้กรรมอีกงกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารหาที่สุดท้ายที่จบหาที่ยับยั้งไม่ได้นานเท่านานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะนั้น